สู่ความเจริญจะมีและท่านสาธรชนทั้งหลายการบรรยายประสู์ในวันนี้จะ น, นำเรื่องของสุมาราชกุมารซึ่งเป็นอนดีตประวัติของพระอานุทระมาเสนอท่านผู้ฟังพระอนเทระนั้นเป็นพระเทระที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าหลายอย่างด้วยกัน จึงว่าเป็นพุตุูขถากมีสติมีความอดกัน้นความอดทนแล้วก็ทรงจำอะไรต่างๆไม่ได้มากเรียกว่าเป็นผู้สูตรท่านได้แสดงถึงความปราดเปรื่องของท่านที่มีความเข้าใจในปฏิจจสมุปาทิได้อย่างลึกซึ้ง อาจารย์ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นสำหรับคนอื่นแล้วรู้สึกว่ายากแต่สําหรับท่านเนี่ยรู้สึกมันง่ายเกินซึ่งว่าที่จริงในขณะนั้นที่ท่านพูดเนี่ยท่านเป็นประโสูตบันไม่ใช่เป็นพระอาลหาันประสูตบันโดยทัทย่วไปไม่แตกฉานในปฏิจจสมุปบาทเพราะจงมันเรื่องยากมาก ยากต่อการแม้แต่จะทำความเข้าใจนะฮะคคยจะนำมาอธิบายนำมาชี้แจงกันนี่ก็ยากเคยคุยกับพระเทระผู้ใหญ่รูปหนึ่งคือไปสอบถามท่านอนะยากให้ท่านอธิบายให้ฟังท่านบอกว่าผมเองยังไม่เคยเทศเลยและตลอดชีวิตท่านเนี่ยท่านไม่กล้าเทศเรื่องปฏิจจสมปษษษษษษัจเพราะจริงๆมันยาก嘛ในการอธิบาย เป็นเรื่องของภาษาปัญญาญาณนะฮะแต่แม้แต่พระเจ้าเองก็ทรงพิจารณากลับไปกลับไปอยู่ทั้งเจ็ดวันหลังจากตัดสุดแล้วแต่พระนรนท่านนั่งคิดพิจารณาต้เปิลไปต้อคนมาท่านรู้สึกมันง่ายมันตื้นนต่บอกมันตื้นกน็หนือรู้สึกว่าลึกแต่ท่านเห็นว่ามันตื้นก็หนือรู้สึกว่ามันมันมันยากแต่ท่านเห็นว่าง่าย พระเจ้าก็สรงชี้แจงให้พระนนเข้าใจว่าที่จริงไม่ใช่เรื่องตื้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเป็นเรื่องลึกด้วยแล้วก็เป็นเรื่องยากด้วยแต่พระนาว่าทาไมพระนนท์ท่านานัน้นมองได้อย่างนั้นท่านก็เล่าว่าพระนนนั้นเป็นคนที่มีบารมีมีอธิการคือได้ดกระทำอาไว้ในอดิตการเป็นจํานวนมากแล้วเล่าถึงปฐมเหตุ ประทมะเหตุนั้นก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าอย่างที่เคยพูดเรื่องอัตรกถาเรื่องประวัติของพระยส า, าวกให้ท่านหลายคั่งมาโดยดำดำับเาแต่และรูปเนี่ยมีสิ่งที่คล้ายๆกับมโนปนิทานแต่เป็นรูปของการอาติฐานใจที่จะได้ที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็สร้างสมปรมบรารมีมาโดยดำดำับ เป็นคนที่เรียกว่ามีบารมีในแต่ละสายของท่านตอนเรื่องที่คนอื่นยากในสายนั้นท่านกลับง่ายในสายนั้นพระนนเองก็ได้บังเกิดเป็นราชกุมารชื่อสุมาณะราชกุมารเป็นกนิษฐาดาคือน้องชายของพระพุทธเจ้าสมาะวัปทุมุตตะ ไม่ทั้งสาวดีนกข อ, อนาดีตการนานไกลามากพี่ชายได้เป็นอุปถิจาแล้วก็พี่ชายบางองค์ก็เสด็จออกพนวดก็บรรลุมกุลเป็นพระหันแต่ตนเองได้รับการมอบหมายให้ไปดูแลบ้านเมืองชายแดนต่อม า, าแสดงเกิดกำเริบขึ้น ท่านก็ส่งข่าวไปที่ห้งสาวสดีนครเพื่อกล่าบถูนพระราชบิดาให้ส่งทราบพระราชบิดาก็รัสถ่งไปว่าพ่อส่งลูกมาเพื่อทําอะไรก็ให้ทําหน้าที่ตัวเองไปท่านก็ยกกองทัพไปปราบปรามประชาชนนบดจนราบคาบเรียบร้อยพระราชบิดาก็สั่งให้ไปพบในห้งสาวสดีนคร พร้อมด้วยทหารคนสนิทก็ไปเพื่อจะพบพระาชบินดาแต่ท่านเล่าไว้ว่าพระเจ้าทรงประนามว่าปทุมุตตระเนี่ยรู้สึกว่าอะไรล่ะบ้านเมืองคงเจรเิญนะคือว่าคนแย่งกันอุปถคมภ์รุง แล่พระราชาเองก็ไม่คอยอมให้ใครเบี้ยงดูพระพาาุทธเจ้าเพราะงั้นโอกาสที่คนอื่นจะได้ทำมุลตักบาตรมีน้อยแต่ส่วนมากมันจะอ ย, อยู่ในแบบวงไกลๆสุมนรราชกุ ม, มารเมื่อมาพยโยเาพระราชบิานธ์ มันก็มาประลบ ก, กันว่าไปถึงนี่มันต้องในรับรางวัลจนะจะเอาอะไรในคนหนึ่งก็เสนอว่าขอให้เอาสมบัติพระสถานต่างๆรักสินเงินทองต่างๆที่พระราชบิดาจะมอบหมายให้เป็นรางวัลแต่ปัจจุ บ, บันก็มาคิดว่าทรัพย์สินเงินทองนะเป็นของนอกกายได้มาในสุดมันก็ เป็นของสาธารณะทั่วไปแก่คนอื่นเราต้องชิ้งไว้ในโลกเราไม่สามารถนำพาไปได้คนหนึ่งก็เสนอใหม่ว่าต้องเอาพระราชอำนาจเพาถ้าโปร่งได้พระราชอำนาจแล้วเนี่ยสามารถที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติกับถสิมเงินทองมาได้นก็บอกว่าอำนาจเป็นของไม่ยัง่งยืน เราอาจจะใช้ไปในทางดีก็ได้ใช้ทางไม่ดีก็ได้ไม่ใช้ไปทางไม่ดีมัจะเป็นการเพิ่มบาปเพิ่มมรรคผลขึ้นมันจะเอาอะไรลาบก็ไม่เอาอำนาจก็ไม่เอาบอกเอาอย่างงี้ดีกว่าเอาขอโอกาสขอโอกาสจะอุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าสามเดือนหรือเลี้ยงดูพรเจ้าพร้อมด้วยระสงค์สามเดือนขอบาเพ็ญทานนะสาสีันเป็นทานนะสาม เ, เดือน พอปราชาชนหว่วงแล้วไม่ยอมให้ใครเสร็จแล้วพระราชบิดาก็เมื่อเข้าเฝ้าพระราชบิดาก็เดียวยวิีใจแล้วก็บอกว่าให้ให้ขอพรนะให้ขอพรทําที่ต้องการขอพร อ, อะไรก็ได้จะให้คือเปิดโอกาสกว้างเด่นที่เจ้าทรัพย์สมบัติเอยศเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรก็ได้ อ, อะไรก็ได้ให้ขอพรมา แล้วก็ขอพอรนดังที่คิดไว้อย่างที่วางแผนไว้คือขอเป็นเจ้าภาพถาวายปาติหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสงฆ์ตลอดระยะเวลาสามเดือนทําไปสมาพระราชบิดาไม่ยอมไม่ยอมนะฮะก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมามันเวลามันนิดเดียวสามเดือนนั้นเองสุวรรณราชหรือกุมารท่านก็ไม่ยอมราชบิดาก็ไม่ยอม ก็ตกลงว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้พระพุทธเจ้าตัดสินเองว่าจะให้หรือไม่ให้ปรากฏว่าสุมาณราชกุ ม, มารก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงนามประตุมุตตะนะ เมื่อเข้าเฝ้าแล้วเนี่ยมันไปสังเกตเห็นพระรูปหนึ่งไปคุ้นเคยมากแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากชื่อเหมืองกระท่านชื่อสมโณด้วเหมือนกันเนี่ยสุ ม, มณะเหมือนกันแต่ตัานเกิดสนใจในพระรูปนี้ว่าพระรูปเนี้ยเป็นผู้สนิทสนมคุ้นเคยเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเนี่ยมันเพราะเหตุอะไร เพราะว่าจริงๆน้องๆบวชเยอะนะะน้องๆบวชเยอะเลยมันน่าจะพวกน้องๆมันน่าจะคุ้นเคยจะคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยมันพวกน้องๆมันน่าจะเป็นคนคุ้นเคยแต่ว่าพระที่มาคุ้นเคยกลับเป็นคนนอกที่น่าสังเกตก็คือท่านถามมาเพราะผลบุญอะไระแทนที่จะถามว่ามีดีอะไรแต่ก็ถามมาเพราะผลบุญอะไรแตนก็บอกว่าพระเจ้าทรง แสดงรับรองนะฮะว่าสรรสุมาณะเทระเนี่ยเป็นปฏิระรซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระองค์แล้วก็สนิทสนมกุ้นเคยคว่าองค์นี้พูดแทนรพระพุทธเจ้าได้รับปากแทนรพระพุทธเจ้าได้สามารถทำบุญอะไรปัญหาสำคัญในตอนสรุปบุญเนี่ยนะฮ ะ, ะบุญว่าคือการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเท่า น, นั้นเอง เป็นการให้ฐานรักษาสีนความธรรมรักษาสีนก็พูดทั้งอุโบสถศีนแล้วก็ศีนทั่วไปแล้วก็ความธรรมตามความหมายถึงปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะเป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจพระชจกุมารก็ทำบุญทั้งหมดนะฮะตลอดตลอดสามเดือนแล้วก็โอกาสเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพระองรูป ทงสาวกตลอดสามเดือนเ้วก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้สถานะอย่างเนี้ยในพระพุทธเจ้าพรองค์ใดองค์หนึ่งในโอกาสต่อไปพระเจ้าทรงประนามว่าปุตมุตระก็ทรงสวดู ด, ด้วยอนนากะตังสยานหมายความมารู้ในการอนาคดูในการนาคตก็เห็นว่าเขาจะบังเกิดเป็นอนุตพระอนุต เราจะเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าก็ส่งรับรองแล้วก็ให้พรทีนี้ไอ้ออให้พอรอีกแหละให้พรก็คําที่ให้พรก็คือคําอิจิตังปติตังตุมังคิปเมวัสมิจติตุสเฟุริโสังกาจันโทปนรารโสยถ า, ามไมโชตีรโสยถาเ น, นี่ยเป็นคําพรที่ที่เรียกว่าปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนามากท่านเรียกว่าเป็นคาถาของพระพุทธเจ้า สิ่งที่ท่านปรารถนาแล้วต้องการแล้วจงสำเร็จบริบูรณ์เหมือนแก้ววั น, นีชื่อว่าโชติรสหรือเหมือนพระจันทร์วันเพน็ญคือสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับพระจันทร์วันเพน็ญคา ก, ก็ท่านั้นนะฮนะไม่ในวิจิตติสดาอะไรแต่ตัวเหตุจริงๆก็อยู่ที่การบำเพ็ญบารมีของพระเรจ้กุมารแล้วท่านก็บำเพ็ญบารมีกันมาโดยลำดับนะฮะ ในหลายพระชาติปรากฏในหลายประชาติแล้วเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้ามาโดยเ ก, เ, กกะะเกี่ยวข้องอยู่กับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นะฮะเกี่ยวข้องอยู่เกือบทุกชาติจนในประชาติสุดท้ายตรงนี้ค่อนข้างแปลกว่าทําไมชื่อมันผิดกันอาจารบอกว่ามาเกิดเป็นพระราชโอรสของอมิโตธนะ แต่ในที่อื่นเนี่ยบอกว่าเป็นโตรกของสุโธนะซึ่งเป็นอนุชาคนรองของพระเจ้าสุโธทนะสุโธทนะสุโธนะอมิโตทนะโทโตทนะคณิโตทนะนนะปะมิตามิตาก็รสรุปว่าก็เป็นน้องนะฮะเป็นเป็นลูกพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะบวชย่างท์ริสาบกัน ระประเด็นที่น่าศึกษาตรงนี้ก็คือเรื่องความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าในอนดีตเรื่อนที่เคยบอกท่านทั้งหลายแล้วเราก็พบเรื่องราวแนว น, นี้อยู่เยอะว่าพุทธนายอมรับความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าในอนดีตแต่เป็นเอกเทศคือไม่ใช่ต่อกัน ไม่ใช่ต่อกันว่าพระเจ้าองค์หนึ่งถอนมาอุดีสองก็รับต่อต่อไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นแต่ธรรมะที่ศัตรูนั้นเหมือนกันคุณสมบัติก่อนการศัสรูคือสมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะพยากรณ์ทั้งสามหรือสองประการอนุพยานทน่าแปดสิบประการนี้เหมือนกันคําสอนเหมือนกันแต่ไม่ใช่สืบต่อกัน เขีนไดว่าคาสอนของพระเจ้าโปร่งก่อนหมดไปโลกเข้าสู่ยุคเสื่อมมีความตก ต, ต่ททำทางศีลธรรมแล้วคนก็เริ่มคิดโดยเหตุโดยผลของตัวเองก็ปรับปรุงตัวเองปรับปรุงสังคมกันมาโดยดัางดับเดี๋อยู่ในจุดหนึ่งพระเจ้าองค์หนึ่งก็จะบังเกิดขึ้นโลกก็โลกมันเข้าสู่ยุคอย่างนั้นอีกคือหมุนโลกมันจะเสื่อมยุคเสื่อมยุคจเจริญ ึุดจะเข้าสู่ยุคเสื่อมยุคจเจริญไปเรื่อยพอุคเสื่อมถึงจุดสุดขีดเนี่ยคือศีลธรรมมันไม่ศีลธรรมในสังคมไม่มีแล้วจะมีความรุนแรงของการใช้อารมณ์ตัวในสุดโลกก็จะล้างผ่านกันและจากการล้างผ่านกันเนี่ยโลกมันมีความคิดนคน ม, นมีความคิดมันเริ่มคิดคิดแล้วกลับุงตัวเองก็ผ่านยุคผ่านสมัยใหม ถึงจุดหนึ่งคนอยู่ในเกณฑ์พร้อมที่จะเรียนรู้ธรรมะก็มีพระพวกพระปัตเติเจกาพพุทธเจ้าอะไรต่างๆเกิดขึ้นในร่องในช่วงระหว่างตรงนั้นแต่ไม่มีหรวพุทธเจ้าถึงยุคเดิมพระเจ้าก็จะเกิดโดยจะเป็นอยนะ่างนั้นแหะก็จะย่อกันไปโดยเห็นว่าพระเจ้าเราเริ่มตั้งความปรารถนาที่จะเป็นรพระพุทธเจ้าสมัยหรวงพุทธเจ้าทรงมาณฑมันตีปังก่อนคือก่อนหน้านี้อีก ก่อนหน้านี้อีกพวกสาวกก็จะอยู่แถวพระวิ้าสมณานมอปุถุมุตระยกเวนเ้นแพวกมหาสาวกนะฮะพวกปสาริบุตรพวกพระโมคคัลลานะในพวกนิกออด น, นั้นคือก่อนพระอนุนนะฮะแต่ว่าหลังพระพุทธเจ้าคือตั้งตั้งปณิธานไว้ก่อนก่อนพระอนุนแล้วก็สร้างบารมีกันมาโดยลำดับ เพรจากช่วงนี้เราก็เรียนเนงอนาคตได้นะฮะว่าในความคิดแพร่หลายแล้วปัจจุบันเนี่ยคนอ้างตัวเป็นประสีอ่านเยอะในเมืองไทยที่ทราบไปแล้วเนี่ยมีห้าหกแห่งเป็นการหลอกลวงประชาชนให้หลงผิดเข้าใจผิดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติผิดเสริมสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยแก่ตัวเองและพวกพ้อง เป็นปัญหาสังคมแต่ว่าสังคมเนี่ยปัญหาในอันนี้เราแก้ยากนะฮะเจ้าสงสดงเห็น ว, ว่าเป็นธรรมชาติของคนธรรมชาติของสัตว์โลกรประสบภัยประอันตรายประสบความกลัวเนี่ยมันจะดิ้นรนเพื่อสแสวงหาที่พึ่งแล้วทุกคนก็คิดเอาเองนะฮะว่าอันนั้นเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งด้วยเป็นที่พึ่ง เมื่อก็มีสิ่งที่คนยึดถือเป็นที่พึ่งแล้วปฏิเสธในบางระดับไม่ได้นะฮะปฏิเสธในบางระดับไม่ได้ทีนี้คนก็ต้องการระดับนั้นแล้วเขาก็รู้สึกคราพอเขาก็อยู่อยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรว่าะในความหลากหลายในเรื่องการยึดถือสิ่งที่เป็นที่พึ่งเนี่ยจึงมีแพร่หลายทุกๆุค ท, ทุกสมัย ในเวนี้ก็มีแนวแปลกเมื่อเช้าในไปออกโทรทัศน์ช่องห้ามีปัญหาเข้ามาเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแปลกออกมาว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาพี่แกบอกว่าแกนิสัยดีเมื่อก่อนเรียบร้อยแต่ว่าต่อมาี่มีเทพเข้าทรงเข้าสิงเข้าสิงมีสามองค์เข้าสิงไม่เต็มองค์แล้วก็นิสัยแกเปลี่ยนไปเป็นคนเจ้าชูเป็นผู้หญิงนะฮะ วัวซึ่งเคยเป็นคนเจ้าชู้กลายเป็นคนดีเมียซึ่งเป็นคนดีกลายเป็นคนเจ้าชู้มาว่าโยนในโยนในเจ้าแม่มากกว่าบอกว่าโยนต้องฝึกใจตัวเองไงมันเข้มแข็งไงรู้สึกว่าเป็นโทษเจ้าแม่มากกว่ามันเป็นมันเป็นกิเลสสิงใจมากกว่าไอ้เทพสิงใจะนะแต่เราจะพูดว่ากิเลสสิงใจมันก็ก็น่าเกลียดแต่จริงวันกิเลสสิงใจะนะ เดีเราก็ไปยอมเราไปคิดเราสร้างเดินเป็นอุปทานฮะจนไปยึดกับสิ่งเหล่านี้เดีวก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความผิดแต่ก็ยังติดอยู่ตั้งหลายปียนะตั้งหลายปีปัญหาที่ถามมาเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าที่น้าคิดนะฮะว่าปัญหาเรื่องการทำแทง้งเรื่องปัญหาชู้สาวนี่แรงปัญหาแรงมากปัญหาทำแท้งมีทุกวัน ทำแทงมีมีตลอดแล้วก็หลายหลายรา ย, ลายแล้วก็มีปัญหาทุกใจอยู่ในปัจจุบันนี่คือเราเห็นว่าเป็นอาการทางจิตที่มันเพิ่มมันเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มกิเลสเพิ่มอารมณ์ขึ้นไปปัญหาเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไปยอมสยบนะฮะเราไปยอม ยอมต่อต่ออำนาจต่างสิ่งเหล่านั้นในสุดเราก็พ่ายแพ้จะเรียกว่ากลายไปร่างทรงนะร่างทร ง, ทรงทจริงจิงบางทีมันมันไม่ใช่ทรงอุปาทานตัวเองแต่นี่นอุปท า, านตัวเองที่สร้างขึ้นแต่เราก็ส่งไว้ทรงอุปาทานตัวนั้นไว้แล้ว ก, กลายปเป็นตุเป็นปราเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนเป็นสัตว์ไปสําหรับเราปัญหาตรงนี้มันก็อยู่จิตพื้น เพ่นั่นจิตใจของบุคคลหราทำให้สูญเสียโอกาสนะเวลเนี้บางทีเนี่ยวันก่อนเนี่เคยเห็นก็ถ่ายภาพเป็นพระโมจีวอนเข้าแถวไปกราบเจ้าแม่คุณคุณอิมกราบเจ้าแม่คุณอิมเวนกรรมมามาก ๆ, ๆนนะ หรือจะไหงไงมันก็นนียก็ส่งมาทีนีงไงฮะไปกราบพระโพธิสัตว์บอกว่าคนนั้นอ้างตัวเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็พระก็เดินเข่าถือดอกไม้ไปกราบก็พระก็ปิดผลนสังค ม, มนะสังคมจนบทซึ่งไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเนี่ยท่านก็ทำไปอย่างนั้น ที่จริงพระศรีอานเนี่ยมันก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งถ้าจะมีนะแต่ชื่อศรีอานหรือไม่ศรีอาร์เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกภาษามันเปลี่ยนไปแยะแล้วไอ้ชื่อภาษาศรีอารมันเปภาษาสมัยปัจจุบันภาษาอิเเป็นภาษาสนันสกฤตนะฮะศรีอริยเมตรนะัรเนี่ยแต่พระเจ้าทรงแสดงว่ามีนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าชื่อศรีอานเพียงแต่บอกว่า มันอึดนานมากไอ้ความมาโลกนี้จะเสื่อมไปเรื่ อ, ๆอยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันแกถึงกะลียุคแล้วคนอายุมันจะลดลงไปแค่สิบขวบแต่นั่นเองอายุยขัยแค่สิบขวบแต่นั่นเดี๋ยวจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากกะลียุคันเริ่มเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเรื่อยจนคนอายุยืนขึ้นยืนขึ้นจนยืนมากจนอายยืนมากแล้วก็ลดลงลดลงลงลงจนเหลือยอายุแปดหมื่นปีนะ มนุษย์ยุคนั้นอายุแปดหมื่นปีจะมีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสีอะยมเมตไสในบังเกิดขึ้นอันยิ่งอย่าไปยุ่งเลยอีกตั้งนานเอาที่พระพุทธเจ้าเล่าก็พอแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่มีการทําได้แค่สอนแค่แสดงแต่นั้นเองไม่ใช่มีลักษณะโดนบันดาลโดยเย็นว่า ป, ะ, ปะทุ ม, มุตระพุทธเจ้าก็ทรงทำอย่างนั้น ต้องทำแค่การสอนการแสดงให้ฟังเท่านั้นเองทีนี้เราเรามาดูตัวอย่างของสุมาราชกุมารก็อยากให้มองปัจจุบันเขาเรียกวิสัยทัศโลกทัศ น, นคติอะไรต่ออะไรกรมวิชาการก็คิดสับงออกมาเรื่อยๆลักษณะการมองโลกเนี่ยมองสิ่งต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อวานเนี่ยจะมาเป็นศูนย์กลางอะไรไม่รู้ไม่ต้องหลับต้องนอนเลยดึกดนเชื่ยงคืนอ้ยพวกก็โทรศัพท์ปรึกษาเรื่องยันตรามาทั่วประเทศเลยไม่รู้เป็นยังไงเามืดเนี่ยหกโมงมาแล้วนะหกโมงมาแล้วก็โทรไม่จะถึงตีหนึ่งทั้งทั้งวันนะฮะตั้งแต่ตีตังตั้งตั้งแต่ตอกลางวันจนถึงตีหนึ่งคือเรามองเห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นเป็นวิสัยทัศ เป็นโลกกระทัดที่มองปัญหาในมุมเดียวกันแต่เป็นมองกันคุณละมุมแล้วก็ขัดแย้งแรงมากคล้ายๆกับตอกหมุดความคิดเอาไว้แล้วไม่ค่อยยอมขยับเลยมันจะมีอยู่สามหมุดใหญ่ๆเป็นใช้ความเชื่อหมุดตั้งสามกระแสในใช้ความเชื่อมุดพวกรู้สิทธิ์นี่เชื่อว่าอาจารย์ตัวเองบริสุทธิ์ร100้อยเอร์เซ็นต์ะพวกที่ขายกล่าวหาเชื่อว่าไม่บริสุทธิ์รอยเอร์ แล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเกิดเครือความเชื่อตัวใหม่ขึ้นมาคือเคื่อเชื่อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่วัดอะไรดีเอนออะไรเนี่ยนะซึ่งไม่มีใครรู้จักตัวนี้เลยนะฮะแต่เว้นี้เราเชื่อมากพอมาเชื่อตรงนี้ปรากฏว่าเราเกิดไม่เชื่อคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อตัวเลือดไม่เชื่อกรมวิธีไม่เชื่ออะไรต่ออะไรเกิดปะแล้วเรเกิดเกิดความขัดแย้งที่แรงก็ทําให้มาคิดว่าเออนี่นี่นี่ก็คือเรื่องเดียวกัน แต่ฐานความคิดามาจากคนละฐานกันและแต่ละคนจะรุนแรงมากมาความมาถ้าไม่เห็นด้วยเขาเนี่จะถือเป็นสัตว์กับเขาทันทีได้ต้องเป็นอย่างที่ฉันว่าแต่นั้นเองจึงจะเป็นความถูกต้องถ้าไม่งั้นก็คือไม่ถูกต้องนั่นก็คือแนวก็ใช้ความถูกใจเป็นความถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่ตัวยึดนั่นคือความถูกต้องซึ่งไม่ใช่เป็นเ็นเ็นเป็น เป็นเรื่องใหม่นะที่สมัยพุทธกาลน่ะเรียกวีด้าเมวสัจจังโมคะมันยังอย่างนี้ท้านนั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงมันจะมีการปฏิเสธแราก็คุยกับหมอประดิษฐ์สองครั้งนะเมือคืเนี่ยบอกคุณหมอเองก็จะโดดสมมติว่าเรื่องนี้ดาเนินการไม่ได้คุณหมอเองก็จะโดนด้วยเพราะอะไรเพราะออกมาต้องบวกกับลบเท่านั้นเองมันไม่มีออกครั้งที่สามได้ แต่เมื่อเมื่อความเห็นมันแรงอย่างนี้นะฮะฝ่ายหนึ่งก็แรงอย่างนี้ฝ่านหนึ่งก็แรงอย่างนี้พอหมอออกมาสมมุติว่าคนรักรุ๊ปเนี่ยนะพวกฝ่ายโจทก์จะไม่ยอมหาว่าหมออ่าทิชซ์แซกหมออะไรอะไรกินเงินโอ้อดดาต่อนะฮะมันเปิดเกมใหม่แล้วก็พอกรุ๊ปเดียวกันนะฮะพวกลูกศิษย์จะไม่ยอมหมอก็ถูกหาว่ากินสินบนหาว่าเอาเงินมาจอดเอามายัดไส้อะไรตัวว่าไปอีกมันจะเกิดเกมใหม่ทะเลาะกันต่อไป นันซื้อเพมาสอบถามมาเ อ, อามาบอกต้องประสานความคิดได้ได้ก่อดนะฮะมันแรงได้เกินฮะเป็นความคิดที่แรกแต่ ม, ม, มันมันสอนอะไรเรามันสอนให้เห็นว่าวิสัยทัศน์หรือโลกทัศน์หรือการมองโลกว่ามันมองจากพื้นฐานตรงไหนล่ะใครเป็นคนมองอนะ่ะมองให้เสียประโยชน์ก็ได้มองให้ได้ประโยชน์ก็ได้มันอยู่ที่พื้นฐานในการมองว่าใครเป็นคนมองตีเรามามองดูพระราชกุมารสุมาณะราชกุมาร ตัวคนคนมีวาสนาบา ร, รมีมีวิสัยทัศน์อีกว้างไกลมากแล้วก็มองการไกลแทนที่จะมองใกล้ๆในการรับตาแหน่งหน้าที่นะดูแลบ้านเมืองตรงนี้พระราชรำดำรัสของพระราชบิดาเนี่ยเก่งคือรับสั่งง่ายๆว่าพ่อตั้งลูกให้ปกครองบ้านเมืองทำอะไร ใช้คำในคำเดียวแต่มันบ่งบอกภารกิจคำว่าเธอปกครอง บ, บ้านเมืองเนี่ยเรืจจ่อเนี้ประจาชนบทมันเกิดกำเริบขึ้นมามีโจรผู้ร้ายมีข้าศึกบุกรุกมาจากข้างนอก น, นี่เธอท่านยังไงความเป็นของเรามันบ่งบอกภารกิจของเราพะเราจะสํานึกรับผิดชอบต่อภารกิจตรงนั้นหรือไม่ถ้าเรามีความตัวนกเรมีความรับผิดชอบที่จริงเนี่ย พอ ง, งานเกิดขึ้นเราทําได้ทันทีไม่จําเป็นจะต้องรายงานไม่จําเป็นจะต้องขออนุมัติใครลักษณะเหล่าเนี่ยมันเราใช้คำเป็นคําเดียวแต่เรารู้กันว่าคืออะไรเช่นกับว่ากินข้าวเนี่ยที่จริงมันไม่เคยกินเฉพาะข้าวแต่เวลาเราพูดเราพูดเฉพาะกินข้าวแต่นั้นเองเอากินข้า ว, าาวทุกคนจะต้องรู้ว่าคําเนี้หมายความอะไอย่างไงแล้วก็ทำํำไปตามเอาคําว่าขับรถ เห็นหว่ามีคํขับขับรถมีอะไรอีกเยอะในคำว่าขับรถเราจะต้องมีความรู้มีความสามารถในการขับรถจะเลี้ยวยังไงจะเออจะลอยังไงจะหยุดยังไงรถต้องรู้หมดแหละและต้องทําให้ได้ตามนั้นด้วยนี่คือลักษณะของภาระหน้าที่ที่มีการมอบหมายที่พระเจ้าทรงใช้คําว่าอัตตันดูตาคือรู้จักตัวเองเราเป็นใคร มีภาระหน้าที่ยังไงกพอขายความรับผิดชอบของเราเป็นยังไงแล้วเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในเราอยู่ตรงไหนเมื่อคืนที่เขาเรียกร้องว่ามาเป็นคนดำเนินการมอบ อ, อมามมีตําแหน่งอะไรเลยมันทำอะไรไม่ได้คืนทำไปก็ยุ่งแทนนั่นเองเราไม่มีอานาจหน้าที่ไม่มีทางอานาจไมมีทางหน้าที่เรายึงทำไม่ได้ เห็นไหมว่าต้องมองวิสัยมองอำนาจปองหน้าชี่ให้ออกด้วยไม่ใช่ว่าคนนั้นต้องทำํำคนนี้ต้องทำอุดมฐานมันจะเกิดความกลับส น, นกันหมดตรงนี้พระราชกุมารพระราชบิดาท่นานใช้ประโยคเดียวนะใช้ประโยคเดียวว่าพ่อตั้งลูกให้เป็นให้ปกครองบ้านเมืองเพื่ออะไรเพื่ออะไรท่นานใช้ของเพื่ออะไรแล้วพระราชกุมารท่านก็เกิดสํานึกแล้วปฏิบัติราชภาระตรงนี้สําเหตุลงไปด้วยความเรียบร้อย เนื้มันเป็นแบบที่สร้างกิจสำนึกมันไม่ใช่ต้องบอกว่าทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงความเป็นเนี่ยมันบอกภารกิจเป็นอะไรมันบอกภารกิจว่าต้องทำอย่างไงเวลาไหนควรจะทํอย่างไงเวลาไหนควรจะทำอย่าง ไ, ไางไมันจะบอกไว้เสร็จเลยซึ่งเราต้องรู้ประขอบขายอํานาจหนา้าที่เอาไว้ถ้าไม่งั้นมันจะเกิดความสับสนมากเนื่องจากคนเรียกไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักอํานาจหนา้าที่ ถ้าไม่จะดลนาหน้าที่ปั๊บมันก็จะใช้อารมณ์ทันทีเลยเพราะอารมณ์มันจะยุ่งเพราะต่างคนเราก็มีอารมณ์นั่นก็คือการจะลาจนเพรา ะ, ราะลักษณะจราจนเนี่ยท่านเยาวรคืออารมณ์คนไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้รู้ว่ากฎเกณฑ์ตรงนี้ควรจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยแล้วต่างคนเราก็ใช้อารมณ์ตัวเองพ อ, อารมณ์ตัวเองมันก็กลายเป็นจรลาจนวุ่นวายไปหมดเลย เป็นมวลชนที่สับสนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็สร้างปัญหาได้สารพัดเรื่องเพราะเพราะพื้นฐานความคิดคนมันต่างกันะการต่อไปก็คือความคิดที่เกี่ยวกับรางวัลที่จะได้นะฮะท่านจะเห็นว่าม่ขึ้นอยู่กับการมองถ้าคนกิเลสมากเนี่ยความโลภมากเนี่ย คุณจะเห็นว่ามันจะมุ่งอ้ น, นี่ไนะอ้ลาภสกสาราต่างๆที่ประชาชจะให้มันเห็นก็จะจับอันนี้มันก็จะจับแต่ก็ไม่แน่นะฮะถ้าคนฉลาดแกมปงเนี่ยอาจจะมองไปที่ตัวอำนาะจอย่างที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนะฮะว่า มีคนหนึ่งก็มีนิ้วกายสิทธิ์สามารถจะชี้อะไรให้เป็นทองได้ทั้งหมดแล้วก็ให้คนก็ขอพรคนหนึ่งขอทองท่านั้นท่านี้ท่านน้ทนท่านั้นคนหนึ่งไม่เอาเลยไม่แสดงความยินดียินร้ายในทองคนคนนี้ก็นับถือมากเออมันดีนะไม่ยินดียินร้ายขนาดทองไม่เอานะฮะถามไปถามมาว่าคุณต้องการอะไรต้องการนิ้ว การนิ้วที่สามารถชี้ได้มันมากกว่าทองเยอะนะะสามารถชี้อะไรให้เป็นทองได้ตามต้องการนเว่าเป็นสลัดแกมโกงมันมันมันไม่ใช่โลกเฉยๆนะแต่มันโรกด้วยแล้วก็แกมโกงด้วยเพราะาอำนาจเนี่ยเป็นที่มาของทุกสิ่งแสดงว่าคนถ้ามีความโลภที่แรงเขาก็ต้องการพวกอานาจกับเนี้ยอำนาจกับ บลาบทั้งหลายเนี่ยเป็นนี้ว่ามันมันก็อยู่ที่วิสัยทัศน์อยู่ที่โล ก, กทัศน์คือการมองนะท่านเด็ ว, ว่าพระนรเนี่ยไม่ใช่พระนรนนะที่จริงพระราจกุ ม, มาเนี่ยมองเหมือนกับสุเม ธ, ธมานุมองเหมือนกับใครมองเหมือนกับพระมหากัระปะมองเหมือนกับพระนางธรรมทินนามองเหมือนกับพระยาศะมองเหมือนกับพระโพธิสัตว์มองเหมือนกันหมดเลยแล้วท่านเหล่านี้เป็นทหารหมด เป็นพระอานรหมดสุมเมตกุ ม, มารรับมรดกสามชั่วอายุคนจากทวดทวดปู่พ่อมาถึงท่านลูกโทนสามชั่วสกุลนะสี่ชั่วคนนะลูกทนสี่ชั่วคนทรัพย์สมบัติมันก็หลังไหลลงมาสายเดียวเกลรับปั๊บแทนที่จะยินดีเนี่ยเกมองเห็นว่าบารรพชนของท่านนั้นไม่สลาดเก็บ ร, รวบมทรัพย์สมบัติเอาไว้ในความเหนื่อยยากลำบากและผล ท, ท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ ท่านก็คิดจะเอาไปโดยการบริจาคทานเห็นไหมฮะโดยการบริจาคทานในในที่สุดท่าก็ออกบวชเป็นฤาษีท่านได้ฌานซึ่งเป็นคุณภาพจิตวิญญาณที่ปิดประตูนรกได้แต่บบทรัพย์สมบัตินับปิดประตูนรกไม่ได้แล้วอาจจะดึงเราไปสู่นรกได้จะซ้ำไปนี่คือแนวคิดพระธรรมทินาเทรีวิสาขาบาสมอบ ทรับสมบัติทั้งปวให้แกนางทั้งหมดมางมองว่าวิสาขาวาสุกทำอย่างนี้เหมือนกับเธอทมน้าลายเลยให้ให้ให้ใหฉั้นอหัวไปรับไม่เอาหรอกถ้าจะให้ก็ให้ฉันบวชไม่เห็นไหมมองทรัพย์สมบัติเหมือนกับน้ำลายก้อนหนึ่งที่ทมลงไปบนหัวเราแล้วเราต้องไปรับเอาไว้นะไม่ใช่เล่นนะใจอย่างนี้ไม่ใช่ใจธรรมดา พระหมา ก, กระจะปะกับพระพัฒนาการปิลา น, นิมองทรัพย์สมบัติอย่างกันเหมือนกันร้อยหกสิบกฎจะ160ร้อยหกสิบกฎเลยฝ่ายละ160ร้อยหกสิบกฎนะฝ่ายละใน160ร้อยหกสิบกฎแต่ไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นถือว่าเป็นที่มาของบาปของอกุศลต่างๆใช้คนไปไถานาทีสัตว์ในนาตายเยอะคิดแบบนักบูญคิดแบบนักบุญไปใช้คนไปไถานาทีเนี่ยะ มีสัตว์ต้องตายเพราะคําสั่งเรามีเยอะไม่เอาซึ่งท่านหลายอย่างผมก็คิดแบบแบบพระเตมีอ่ะพระเตมีคิดพระเตมีคิดมองเห็นราชสมบัติเป็นเรื่องน่ากลัวมากเพราะว่าคราวก่อนท่านเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองเนี้ยแล้วก็ใช้อำนาจในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ทําบาปไปเยอะร้องฆ่าคนนะฮะต้องทำศึกสงครามต้องอะไรอะไรเปนเยอะแยะไปหมด แล้วท่านก็ต้องตกนรกหลังจากนั้นเราย้อนกลับมาอีกมันก็เจอเรื่องเดิมอยู่ละในที่สุดท่านก็ทำเป็นบ้ายเลยไม่ยอมไม่ยอมพูดเพื่อให้เป็นคนทุกพลภาพจะไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผนดินนะแล้วในสุดท่านก็ได้ออกปวดเห็นไหมว่าการมองโลกเนี่ยมันพื้นฐานเนี่ยสำคัญที่สุดมันไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรปัญหาว่าใครเป็นคนมองแล้วก็มองอย่างไง ถึนั้นไม่แปลกหรอกเป็นเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าคนมองเป็นแล้วเขาจะได้ประโยชน์ทั้งหมดถ้ามองไม่เป็นแล้วจะเพิ่มกิเลสนาเพิ่มบาปเพิ่มมรรคผลขึ้นมาตรงนี้จึงถือว่าเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งนะฮะเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการมองเรื่องเรื่องเดียวกันทั้งนี้มาพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านท่านมองอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าให้ปุถุชนเลือกนี่แย่งกันตรงเนี้ยนะฮะไม่เอาเราไปทําบุญทำไมมันเปลืองระต่างไปเยอะเลย เลีเ้ยงพระไปจำนวนเยอะๆแล้วตั้งสามเดือนเนี่ยโอ้พกกระก็จนไปเยอะเห็นไหมถ้ามองคนอื่นเขาไม่เอาอย่างงั้นเนี่ยแต่คนแบบพระโพธิสัตถือว่านั้นเป็นบุญที่ติดตามตัวไปเป็นวาสนาปรมีแล้วขอที่จะทําบุญแล้วในที่สุดเนี่ยจึงลักษณะเราเห็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าโครงสร้างของสังคมโครงสร้างของประวัติศาสตร์ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพ ร, รนะองค์ไม่รับนะฮะไม่รับนิ ม, มนต์ในที่เดียวนานๆ น, น, นี่ยไม่เอารับไม่ได้ไม่ไม่ยอมรับให้การรับสั่งว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องการตถาคตเหมือนกันแล้วคุณจะนิ ม, มนต์แต่คนเดียวแล้วคนอื่นจะมีโอกาสได้ไงเต่อประราชานีท่านฉลาดนะคือหมายความว่านิ ม, มนต์อยู่ในแวดวงของท่าน ผู้เจ้าทั้งหลายที่จริงไม่ติดส ก, กุลแม่อนุเคราะห์เฉพาะส ก, กุลใดส ก, กุลหนึ่งนะฮะอย่าอนุเคราะห์แก่คณทั้งหลายแต่ราชาท่านท่านฉลาท่านก็นิมนต์ในเวดวงของท่านนะฮ ะ, ะก็กล้็ผูกขาดไปด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วยแล้วก็ทำการให้ปิดกั้นจิตใจปิดกั้นคนอื่นในการกระทำความดีทีนี้เรามองตรงนี้นะะท่านท่านจเห็นว่าเป็นวันนภาจริยะคือสน่ความดี เสน่ห์ความดีในแนวของการทําทานเนี่ยท่านท่านวางไว้เลยเราต้องการอะไรอะทานเนี่ยผลที่เป็นเป็นรูปวัตถุนะฮะผลที่เป็นรูปวัตถุผลที่ยังเป็นโลเกียธรรมอยู่เนี่ยเราต้องการพว ก, กสมบัติกับบริวารสมบัติพอเรารวยยังไงก็ตามไม่มีพวกมันก็แย่ละแต่มีพวกมากๆไม่มีเงินมันก็แย่เพราะเราต้องการเอาพว ก, กสมบัติและบริวารสมบัติ แล้วพวกสมบัติกับบริวารสมบัตินั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากบุญที่โอปุเพกะตะปุญญตาบุญที่เราทําไว้ในการก่อนอย่างวันเช้าที่เจอปัญหาไปเจอสามีเจ้าชู้เราทำยังไงเป็นบาปปางก่อนหรือเปล่าพอกถ้าถือเป็นบาปก็บาปจะ ก, กามเมีตุมิจฉาจาร์พราะตัวเองก็เคยเจ้าชู้มาก็อมาฉดใช้นะแต่กไมีตุวิชาจาร์ชาติไหนก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าไอ้นี่เป็นเป็น เป็นเป็นบาปตรงของกาเมสุมิชอาจารย์แต่เราไม่รู้ว่าชาติไหนหรอกก็ถ้าเราทําถ้าเราทารํากรมเอาไว้เราก็ต้องรับผลตรงนั้นนะเราต้องรับผลตรงนั้นทีนี้เมื่อเราต้องการใบรหวานสมบัติกับพุกสมบัติไอ้เหตุมันมันมันต้องมีทรงแสดงว่าคนบางคนทําบุญด้วยตัวเองหรืไม่ชักชวนหบุคคนอื่นหมายความให้ทานในตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นเราสร้างเหตุให้เกิดพุกสมบัติอย่างเดียว เนะราสร้างเหตุเกิเดเกิดพอกสมบัติอย่างนี้เราไม่สร้างเหตุเกิดบริวารสมบัติเพราะนันบริวารสมบัติตจะไม่มีจะสมบูรณ์ในพอกสมบัติที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วคือเกิดชาติใดก็ตามจะสมบูรณ์ในพอกสมบัติแต่จะไม่มีบริวารสมบัติจะขาดขรแคลนบริวารสมบัตนะิะหาคนรู้ใจคนเดียวไม่ได้นะไปแย้งกันเนี่นะคนบางคนเนี่ยชักชวนคนอื่นได้เก่งแต่ว่าไม่ให้โดยตัวเอง ตันี้จะเสมบูรด้วยบริวารสมบัติแต่ว่าตัวเองจะขาดแคลนปวกสมบัติจนก็แย่เหมือนกันนันฮะผู้หนึ่งไม่ไม่ให้โดยตัวเองไม่ชักชว น, นคนอื่นพวกนี้จะขาดแคลนขาดแคลนหมดทั้งสองอย่างคนบางคนนั้นชักชว น, นตัวเองด้วยแล้วก็ให้ทานด้วยชักชวนคนอื่นด้วยให้ทา น, นตัวเองด้วยจะสมบูรณ์ด้วยพวกสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้ว เหมนแนวของประราชาเนี่ยเราจะเห็นว่าทะลูกท่านเป็นพระพุทธเจ้าโดยท่านยังขับแคบท่านยังขับแคบมากลูกชายก็จิตใจกว้างขวางมากแต่ปรากฏรบข้ อ, อยังขับแคบมันก็เหมือนอะไรนะเหมือนกับแม่ของภาษาริบุตรเห็นไหมเพ ร, ะพระพาะครอบครัวภาษาดิบุรตรทีจิตใจละเอียดถี่นั้นเลยแม่นี่ยจิใตใจรุนแรงมากภาษาดิบุตรต้องพยายาม แก้ไขจิตใจของแม่กันจนวรระสุดท้ายนะก่อนจะนิพพานยังแก้ได้แล้วแม่วันรู้โสดาไปมันเป็นการวัดพื้นฐานในด้นจิตใจคนว่าขนาดําบุญนี่จะทำตนเองผวงพระพุทธเจ้าไว้พระสงฆ์ไว้ไม่ยอมคนอื่นก็ททำบุญด้วยเป็นลักษณะของมัดเฉยีคือความสี้ทีนี้ประการต่อไปก็คือแนวบันดานใจ ท่านหลายเจตว่าตามปกติแล้วเนี่ยกระบวนการของุู ม, มิหารรภูวิหารก็ต้องมีครบทั้งสี่ข้อแต่ว่าใช้ทีละข้อใช้คนละกรณีกันุู ม, มิหารนั้นเป็นธรรมะที่แปลกนะเป็นชุดแต่ว่าใช้คนละกรณีกันมันไม่เหมือนธรรมะชุดอื่นธรรมะชุดอื่นเนี่ยก็พลบก็จะใชด้ด้วยโดยการเช่นอิจสี่ห้านี่ห้าข้อแต่เร า, ชารนเนใช้พร้อมกันเลยไปพร้อมกันศรัทธาบริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยใช้พร้อมกัน ต่อกันหนุนกันนะนะหรือว่าอิทธิบาทสี่อย่างเงี้ยต้องใช้พร้อมเลยกันต้องใช้พร้อมกันพราะมีหารไม่ใช่ตีละข้อแต่ก็ากาะกลุ่มกันไว้หมายความว่าคนเนี่ยเราต้องเมตตาเขาเราจึงกรุณาได้เราต้องเมตตาเข า, า, ราเร า, า, เาจึงมุติตาได้และมเมตตาของเรานั้นจะต้องมีเหตุผลมากพอเราจึงอุเบกขาได้ถ้าไม่อย่างนั้นหอุเบกขาไม่ได้ ให้ลองสังเกตว่าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาประสบความพทุกข์เราไม่เกิดเมตตาเราเกิดสะใจนะฮะอาจจะซ้ำเติมอยากจะเอาไม้ถอค้าคอจ้ด้วยเพื่อนตกน้ำแต่ที่จะช่วยอยากเอาไม้ถอดค้าคอจะด้วยเห็น ไ, ไหมเพราะเราขาดเมตตาต่อขเขาพอเขาได้ดิบได้ดีเนี่ยเราไม่ติตฐิไม่ได้เราเกิดริษยาเราเกิดริษยาเพราะฉั้นฐานใจจึงอยู่ต้องอยู่ที่เมตตากับคนเนี้นะฮะอยู่ที่เมตตา หมายความว่าเรามองคนด้วยอาโทสส์คือไม่โกรธไว้เป็นพื้นฐานแล้วก็ขยายไปจนเป็นเมตตาพอเป็นเมตตาเนี่ยเราก็เดินได้นะทัทง้ทงทังทังกรุณามุติตาอุเบกขาเราะจะเดินได้และที่สําคัญอย่างยิ่งคือต้องอุเบกขาให้เป็นปัญหาบางอย่างเนี่ยเป็นความขัดแย้ง่อชานั้นก็จเจอปัญหาปัญหาหนึ่งแกอ้างตัวเองว่าแกนั้นเลี้ยงสุ น, นัข จะเรร่อนจนจัดมาเยอะแต่ว่าคนดา่าถูกคนก็ตำหนีตีเตียนนี่คือประเด็นนึกว่าตัวเองที่ทนะําน่ะบุญแต่ไม่นึกว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนนะไปเลี้ยงสัตว์จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนเอามาก็ยกตัวอย่างเหมือนกับคนที่เลี้ยงหมาที่วัดเนี่ย น, นะแก่ขนหมามาหม า, มาง่อยหมาพิการเอามาเลี้ยงที่หลังบุตรี้ยมานเยอะ แต่็จแล้วแก็เทข้าสกปรกนะะตามกุฏิตามคําแพงตามพื้นเปื้อนหมดเลยซ่อมก็เป็นล้านๆแ น, น่ น, นะเจ้เพื่อเลี้ยงหมาไม่กี่ตัวในวัดสกปรกหมดเลยแล้วแกก็ต้องการในคนยกย่องแกยกย่องอะไรว่าทําบุญหรือทาบาปกันแน่เนี่ยมันหักกรบลบล ก, ก็ไม่ได้นะมันหักกรบลบล ก, ก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยมากกว่าเป็นบุญ เพราะว่าสิ่งที่เป็นบาปเราทําลายทําลายคนทําลายสถานที่ทําลายสังเ ว, วียนิฐานวิญญาฐานหมดแต่สิ่งที่เป็นบุญก็มีแค่เลี้ยงสุนัขเท่านั้นเองหรือทําแล้วก็ไม่ฉลาดแล้วก็ต้องการจะให้คนอื่นยอมรับมันมั น, ม, นมันไม่ได้มันมันตัวนี้ต้องมีปัญญาพิจนารณาด้วยเราะพื้นฐานเนี่ยต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าพอเราทำํำถือว่าดีแล้วคนอื่นเดือดร้อนยังไงกับฉันก็ดีก็แล้วกันละก็ต้องยอมรับมันไม่ได้ พการทําทุกอย่างต้องมีเหตุผลมีปัญญามีสติปัญญาในการในการคิดในการพินิษิจารณาตรงนี้สุมาราชกุ ม, มารเนี่ยเลยลืมว่าพระเจ้าพระพระพระุทธเจ้าพปปตุมมุตระเป็นพี่ชายนะเป็นพี่ชายแล้วก็มีใครไม่รู้่มาคุ้นเคยกับพี่ชายมาเข้านอกองในได้สบายตัวเองต้องขออนุญาตตามลําดับเลยกว่าจะมาได้ ไอชาวบ้านนี่แม่มันข้าวนอกหน่อยนะมันริษยานะตามปกติจะริษยายนะตามปกติคนนอกริษยาเลยแต่พ ร, รากฏราชวันชื่นชมมากเลยชื่นชมมากเลยโอ้พระองค์นี้ท่านมีบุญต่างคุ้นคเคยกับพระพุทธเจ้าขนาดเราเป็นน้องยังไม่มีโอกาสคุ้นเคยอย่างเงี้ยเห็นนะฮะนั่นคือใ จ, ใจใจที่ดีงามมันดีงามอยู่ยด้วยเลยดีงามอยู่ด้วยลาบผลทิ้งที่เขาจะให้ทำไมเอาขอทําบุญ นะลาบทุกอย่างให้เลือกนะเลือกออาการทำบุญนั่นคือพื้นใจว่าใจที่ดีงามกักคือดีงามอ่ะ ไ, ไปที่ไหนแกก็ดีงามวันแก่อยู่ที่ตรงนี้เป็นสิ่งที่วัดจิตใจของท่านว่ามีพื้นฐานบารมีสูงมากขึ้นชมในสถานะตรงนี้และปรารถนาที่จะได้เป็นในตําแหน่งตรงนี้ ถึตงตัวนี้จริงมันเป็นเพร า, าตันหาอย่างหนึ่งกันนะฮะคือต้องการจะเป็นแต่ว่าตันหาเนี่ยมั น, น, นมีลักษณะเหมือนยานพาหนะเราต้องอิงอาศัยเขาเรียกว่าอาศัยตันหาเพื่อละตันหาบางครั้งท่าน ย, ยิ่งอุปมาว่าเหมือนเราต้องการเนข้ามฟากเราต้องอาศัยเรือเพราะถึงฝั่งโน้นแล้วเราต้องทิ้งเรือเพราะาในช่วงอยู่ช่วงจะข้ามเนี่ยช่วงที่อยู่ในมหาสมุทรช่วงอยู่ในคลองเนี่ยเราต้องอาศัยเรือตลอด มันตัณหาเาเรียกตัณหานิสายะตัหารประหาตป่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาแต่กามราคะเขาห้ามอาศัยอาศัยไม่ได้อาศัยไม่ได้ครับ อ, อาศัยยิ่งเละเลยเข้าป่าเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่มเป็นธรรมชาติเป็นการกินที่ไม่รู้จักอิ่ม เพราะงานใจจะไม่ยอมภากมันจะกระหายจีหิวจะหิวตลอดแล้วก็หมุนวุ่นฮนะอากาเป็นอาการบุนบุนท่านแสดงตรงนี้ไว้นะฮะในในอัตกถาท่านบอกว่าตัณหานั้นมีสองระดับระดับหนึ่งท่านเรียกว่าเอสนาตัณหาคือตัณหาที่เป็นเหตุผักำลังใเกิดการสแสวงหา พอแสวงหาพอได้มาแล้วเนี่ยมันจะมีตัณหาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเอสิตะปัญหาตัณหาคือตัณหาในสิ่งที่รู้สึกว่ารงมีแล้วถ้าใครไปยื้อแย่งเราเนี่ยเราจะเกิดโกรธตอนแสวงหาถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราจะเกิดทุกข์ถ้าใครมาขัดขวางเราจะเกิดโกรธเหมือนกัน เ, นเห็นไหมสิ่งที่เราครอบครองเรามีตัณหาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปทุก เ, เวลาใครแตะไม่ได้นะถ้าตัณหามากๆอะไรเราจะแตะไม่ได้เลย มองอยังไม่เคยได้เลยมองอยังไม่เคยได้เลยของสวยของงามของตัวเองไม่ให้ดูเลยท า, ทางที่จริงๆก็ดู ก, ก็ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้เสียหายอะไรแต่นั้นแสดงเรื่องตึ ง, ตงกระแสกับตันหาเพราะความคิดที่มาอยู่ในระดับตรงนี้ได้ท่านจะ็ว่าถ่ายถอนตันหาไปเยอะเลยแล้วถ่ายถอนพอถ่ายถอนตันหาได้เนี่ย<ม>เห็นไหมว่าริษยาแทนที่จะเป็นลิษยามันกลายเป็นมุติตาแทนที่จะลิษยาพระ สาวบ้านใครก็ไม่รู้อะมังคุ้นเคยกับพี่ชายตัวเองกลายเป็นมุชิตาแล้วก็มีความชื่นชมยินดีทีนี้แทนที่ว่าจะไปมองว่าคนนั้นประจบประแจงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถามอย่างนั้นไม่ถามอย่างนั้นถามอย่างนั้นไปหาเรื่องคนอื่นนะเราเรียนนายไม่เป็นประจบประแจงหลังบ้านท้ายบ้านหน้าบ้านไม่เป็นอะไรแต่เนี่ยส่วนส่วนมากไม่จะพูดอย่างนั้นแจะมีคํากรอนบทหนึ่งถึ่ง อาจรย์พระครูติวะเตตันวาอีกฝั่ง น, น, นั่นนะคำกร อ, อ น, นานแล้วนะขนเขาเขียนเอาไว้เกิดเป็นคนมีนายไม่ง่ายนักต้องรู้จักหลบเป็นปีกกลีกเป็นหางนายมาอยู่เที่ยวมันปล่อยพอกลางดูท่าทางนายกลับจึงจับงานรู้ประจบสอพอ ร, รู้ย อ, อนายถึงข่าวร้ายท่านก็คงจะสงสารแม้นผู้ใดสัซื่อถือแต่งานของดักดานประสบจบทุทุกคนคือเราเห็นในชัดว่าอัคติ นักป็ตมองความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นว่าเป็นพวกประจบประแจงแนตัวเองไม่ประจบประแจงนะแล้วก็ไปไปไปมองคนได้ดีในแง่ร้ายแทนที่จะว่าเขาได้ดีมาได้ยังไงมันก็เหตุสองอย่างว่าเหตุอดีตก็เหตุปัจจบพระแจงราชกุมารสาวไปทีเหตุเหตุอดีตเลยเพราะสร้างสมบุญบา ร, รมีอะไรมาจึงได้สถานะตรงนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่เบานะฮะเพราะว่าจริงๆเราเราทำไม่ทานอะไรชาติปัจจุบันมานิดเดียวหรือทําอะไรท่านส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องอดีตผู้เจ้าทรงแสดงธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าคือสิ่งที่ท่านทั้งหลายทําทุกๆคนทําอยู่อย่างนี้ยคือทานศีลภาวนาพูดรวมนะรวมทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยรวมไปทานศีลภาวนา เป็นการปฏิบัติที่ขจัดพัฒนาจิตใจเรานะฮะท่านเด่นว่าใ น, ในกรณีของทานในกรณีของทานนั้นเรามีความรู้สึกดีๆต่างหลายเรื่องเนี่ยคือหนึ่งคนที่เราจะให้ทานเราต้องมีความรู้สึกดีต่อคนนั้นสองสิ่งที่เราให้ เ, เราต้องไม่เสียดายและสามเราจะต้องเห็นคุณค่าของการให้ต้อเห็นคุณค่างกัรให้ในขณะที่ให้หรือก่อนให้ หรือแม้แต่หลังจะให้นี่จิตใจเราต้องดีเราจึงให้ทานได้เป็นวิธีรักษาสุขภาพจิตได้อย่างดีแล้วก็เป็นการสร้างความเป็นนเริงกันเดียวความเป็นพวกเป็นพ้องเป็นเพื่อเป็นฝูงกันในในปัจจุบันเป็นธรรมะระดับสังคมนะทานได้เลยว่าเป็นธรรมะระดับสังคมแนวการอนุเคราะห์การสงเคราะห์ เป็นทัพเป็นธรรมระดับพัฒนาสังคมคือช่วยเหลือเพื่อูนกันในสังคมธรรมระดับบูชาส่วนหนึ่งมันก็ช่วยให้ทานระดับบูชาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการสังคมแต่ส่วนหนึ่งมันเป็นบุญที่ติดตามเราไปแล้วก็คนเหล่านั้นก็คือคนที่ทําบุญร่วมกับเราไว้ก็ทําให้ได้ทั้งพวกรสมบัติและบริวารสมบัติ การรักษาศีนก็เป็นการลดละกิเลสแันดยบหยาบึงเราจะเห็นว่าแนวของศีนทั่วไปเนี่ยคือศีนห้าส่วนศีนแปดศีนโวสถนั้นที่จริงเรื่องนึกซึ้งขึ้นนะเป็นคนไม่จำนวนไม่มากหรอกคนรักษาศีนระดับศีนแปดได้เลยนะ ในโลกนี้อธิบาว่าทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยนะฮะรักษาศีลพรหมจรรย์นเนี่ยไม่มีงดเว้นจากเมตุนธรรมนะอภรรมนะฮะพง่ายงว่าศีลห้าเป็นอภรรมเนี่ยนีไม่เท่าไรหรอกรวมแล้วคงไม่เกินสามล้านนะนะรวมแล้วเบ็ดเสร็จยังไม่เกินส า, นนามล้านที่ตั้งใจรักษาจริงๆนะฮะตั้งใจรักษาจริง ๆ, ๆมันมีไม่เกินสามล้านเพราะศีลที่เป็นฐานทังคมจริงๆจึงอยู่ที่ศีลห้า ในสี่ห้านั่นเองถ้าเราพูดในปัจจุบันก็คือสิทธิกับหน้าที่เห็นไหมเรื่องสิทธิกธับหน้าที่เดี๋ยวเราพูดในระบบประชาธิปไตยนะครับแต่ประชาธิปไตยก็ออกขึ้นพอนางยุ่งนิดหน่อยนะฮะคือไม่ค่อยทําหน้าที่แต่ว่าเรียกร้องสิทธิเี๋ร้องสิทธินักร้องเยอะเลยนักร้องทั้งหลายนี่พระก็นักร้องนะฮะอะไรแต่อะไรก็นักร้องในประชุมประชุมนี่นักร้องเยอะเลย คือเรียกร้องขอร้องมีลักษณะบวงสวงซึ่งเป็นความคิดที่แปลกเป็กควาคิดที่แปลกก็หมายความว่าความคิดในแนววงสวงอ้ อ, อนวอรเนี่ยมันเยอะก็คือนักร้องนั่นเองไอ้พวกบวงสวงทำบุญตักบาทขันเดียวหมาบวงสวงจังเลยใกล้วันถูกหวยออกตลาดกินแบ่งออกตักบาทตึงถ้าไปอย่างนั้นนายโยมมาตั้งนวพระก็สิว โยมว่าไงมั่งก็ไม่รู้ขอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนไม่ใช่เล่นนะนะเห็นนะละักษณะบวงสูวงเป็นแนวของการบวงสูวงซึ่งว่าที่จริงแล้วในในในแนววุฒิาารไม่ไม่ไม่ไม่มีลักษณะบวงสูวงแต่ว่าเป็นพื้นฐานของคนตรงนี้วันก่อนเรามากราราบถึง กลุมการศาสนานะะไปคุยกับผู้ใหญ่กลุมการสนาเขาก็เสนอแนวความคิดที่จะห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างโน้นนะห้ามเรื่องจําจนายพระเครื่องเผยแผ่พระเครื่อ ง, ห, องห้ามอย่างนั้นอย่างนี้เอามาบอกห้ามไม่ได้มันต้องให้มันไม่ใช่ห้ามให้อะไรคือให้เหตุผลให้ความถูกต้องแก่เขาวิธีการของพุทธนะั่นมันไม่ใช่วิธีการทุกโต๊ะนะเป็นวิธีการในเพิ่มพูนสติปัญญาของเขา พระเจ้าไม่เคยโจมตีไอพิธีบูชายัญอะไรใครแต่จะสอนยกจิตเขาให้หนียันเองให้เห็นว่าไอยันเนี่ยมันไร้สาระพิธีการบูชายัญไร้สาระแล้วก็ไม่ไปทําลายโรงบูชายัญแต่ท่านเองแยกตัวออกมาจากโรงบูชายัญเหล่านั้นมันยังมีคนอื่นที่ต้องใช้เหมือนกับพุทธิภาวะของเราที่เราเลิกเล่นตุ๊กตาแล้วเนี่ยมัน ม, ม, มันเราก็ไม่ทาลายตุ๊กตาเราให้เด็กมันเล่นต่อ แล้วโลกก็มีคนเล่นตุ๊กตายยางนี่นมั น, เ ป, นเป็นเรื่องที่เราทำไม่ได้ไปแก้ไขตรงนั้นไม่ได้แต่เราพยายามพัฒนาจิตใจเขาไปเรื่อยๆให้เหตุผลให้สติปัญญาเขาแต่ไม่ต้องไปทำลายหรอกตรงนั้นทำลายไม่ได้ไม่มีทางที่จะทำลายได้มีอิติฤทธิ์มีพิเศษยังไงทำลายไม่ได้นะเรื่องบางเรื่องนี่เราเราลืมไปนะว่า ทีเราแก้ปัญหามันสรน้างปัญหาคล้ายๆก็เรารักษาโรคตรงนี้หายแล้วมีโรคแทรกซ้อนทั้งสองโรคอ่ะทีนี้จะตายมันเหมือนกับแนวความคิดเรื่องนิกายนะะดูยัางง่ายนิกายประเทศพมา่านี่เคยจับพระศึกหมดทั้งประเทศเอาไปบวชใหม่สมัยพระเจ้าไตรบีเอตีบิดอกทอนนะฮะเอาไปบวชใหม่มันก็คุมไม่ได้สามสิบกว่าปีในรัชสมัยขององค์คุมไว้แต่พระก็ทะเลาะกันพอท่าน สวรรคดปั๊บพระแตกปุ๊บเป็นสามสิบกนิกายแตกแตกไม่รู้เรื่องเลยนะพี่เพราะมันมันเป็นฝีกรัดหนองเป็นฝีกรัดหนองมันกรัดมาสามสิบกว่าปีต้องการเอาชนะค่าขัาขางแล้วก็ไม่ยอมกันนะนะเพราะคนเรานั้นต้องให้ปัญญาเขาต้องให้ปัญญาให้อิปุลเขาแล้วเขาสมัครใจเองไง น, นะเพราะสมัครใจเองเขาคิดเราเองพระเจ้าติดอาวุธปัญญาให้แต่นั้น ไม่ใช่ไปยกไปดึงเข้ามาอย่างนั้นมันทําไม่ได้มันอยู่ที่วุฒิภาวะความพร้อมอะไรอะไรบางคนอีกเป็นอันมากเพราะแนวแนวการมองโลกเนี่ยสําคัญที่สุดเราต้องเข้าใจเข า, เาต้อเข้าใจเขาไม่ได้ใช้เราเป็นฐานนะมันใช้โลกเป็นฐานไงโลกตรงนี้ยเป็นฐานชาวบ้านตรงนี้ทําไมทําอย่างนี้ก็เพราะเป็นอย่างเงี้ยเพราะก็เป็นอย่างเงี้ยเขาต้องทำอย่างเงี้ยแต่เราจะต้องแก้ เราก็ต้องให้ให้อะไรเขาไปชดเชยตรงที่เขาต้องเขามีสิ่งนี้เขาตึองอยู่ได้เนะี่ยเราจะให้อะไรเขาเพื่อเขาทิ้งสิ่งนี้เพรา ะ, ะนั้นลักษณะ ส, สังคมมันก็เหมือนกับคนที่ลอยอยู่ในแนนม่น้าก็จะเกาะศพอะไรอยู่ก็ได้เราบอกว่าเหม็นสกปรกทิ้งเดียบทิ้งเดียทิ้ ง, งแล้วมันเกาะอะไรมันว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยคุนนอกอย่างอื่นมายื่นให้ก่อน ต้องเปลี่ยนที่เกาะแล้วเราก็อธิบายเหตุผลอะไรเขาฟังแล้วเขาก็เปลี่ยนเองไงนะเราก็ให้นี่คือสิ่งที่เราเร า, เราไม่ได้มองในปร ะ, ประเด็นนี้เพราะฉะนั้นวเวลาสร้างปัญหาเลยแก้ปัญหาเอ้ไม่ใชเ่เราแก้ปัญหาเลยสร้างปัญหากันเองแนวตรงนี้เป็นแนวตัวอย่างนะที่เป็นวิถีชีวิตของคนว่าคนเราถ้ามีพื้นฐานดีเนี่ยมันอะไรมันดีไปหมดเลยได้ประโยชน์ยาวนาน แต่และเรื่องเนี่ยกลายเป็นประโยชน์ยาวนานหมดเพราะนั้นหลายจะเห็นว่าขอโอกาสในการทําบุญเป็นประโยชน์ยาวนานแล้วไปชื่นชมยินดีกับสาธารณภาพของพระสุมธเถระซึ่งก็เป็นผลของความดีเนี่ยฮะมันเป็นประโยชน์ยาวนานที่ท่านจะต้องสร้างแต่ต้องสร้างความดีขึ้นมาเพราะว่าแนวในการเป็นในการได้ในการมีของคนลองสังเกตฮะ ถ้าเราคุมตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างพระสุเมณะราชกุมารท่านเราต้องการเป็นตรงนั้นแต่วเหนือต้องการเป็นแบบพระเทวทัตดังนั้นพระเทวทัตต้องการเป็นพระพุทธเจ้าโดยวิธีต้องฆ่าหลวงพุทธเจ้าและตัวเองเป็นหลวพุทธเจ้าเสีเองต้องการเป็นรัฐมนตรีก็ฆ่ารัฐมนตรีต้องการเป็นประธานาธิบดีก็ฆ่าประธานาธิบดีนะโลกเนี่ยแต่วิธีการตรงนั้นไม่ถูกต้องต้องการเป็นก็ต้องศึกษาถึงเหตุที่ได้เป็นแล้วเรามาสร้างตัวเหตุ ต้อเห็นว่าเขามีเหตุอะไรเขาจึงได้เป็นเราก็สร้างเหตุตรงนั้นเขาคนนั้นกลายเป็นคนที่เราชื่นชมแต่นี้จะมองมป็นศัตรูซึ่งซึ่งซึง่งเป็นเรื่องยากนะเพราะคนเรามันจะมีริษยามีวิหงสามาแต่ก่อนังนั้นแนวการรักรักษาศีลเนี่ยคือแนวสร้างเหตุแต่จริงเราก็ได้รับความสุขในปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุ คือการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขภายในสังคมคนมีศีลนะฮะคนมีศีลก็จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขที่อะไรที่เรามาออพูดทุกตุ้งการเมืองใดไรทำมำไพยเมืองนั้นบันไรยแน่เอ้ยเนี่ยนะะก็ศีลที่จริงก็คือธรรมะระดับงดเว้นมันลดกระแสความรุนแรงที่มีอยู่ภายในสังคม ซึ่ ง, ซ, งซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวอามายังมองปัญหาทุกวันว่าเป็นปัญหาที่น่ากลัวเราเห็นว่ามีลักษณะแนวบัณฑิตทิ้งธรรมเนี่ยนะฮะทิ้งธรรมเนี่ย ม, มันเกิดขึ้นเยอะใช้อารมณ์เนี่ยมากไปแล้วก็ละเลยปัญหาไอ้ตัวหลักการต่างๆวันก่อนมีโอกาสไปอบรมที่ขอประชุมประโรวงมหาไทยนะตั้งแต่เกิดมาก็เจอครั้งเดียวงพวกนี้มันก็ชอบของพระ ยังงงอะนะกระูุนมาใต้นีหมืนพระไปพูดใน ง, งงเลยไม่เคยได้ยินเราก็พยายามอธิบายเอาวางว่าในโลกโลกาภิวัตน์มาไทยซึ่งต้องดูแลรัสดอนเนี่ยมันต้องทันโลกเพราะโลกเวลานี้มีความเปลี่ยนแปลงที่แรงแล้วก็กระแสตรงนี้ค่อนสูงแล้วก็ใช้แนวเกาะกลุ่มกันใช้อารมณ์ในสูงซึ่งถ้าเราไม่พยายามที่จะลดกระแสตรงนี้นะฮะในสูงเดินกบนอยู่้ว ถึงแม่เวลนี้เดินขบว น, นไม่หยุดเลยซึ่งหมายความว่าพอปลุกราวอารมณ์กันเนี่ยนะแล้วพอใครอธิบายเหตุผลจะมองคนนั้นเป็นศัตรูตันทีนนั่นคือกระแสเพราะนั้นศีเนี่ยก็คือฝึกให้รู้จักสิทธิสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สิทธิในคู่ครองสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเราต้องยอมรับรับ นั่นก็คือปานาตินากา ร, รมเมือมุสาที่จริงมันเป็นเรื่องสิทธิแล้วมันก็เป็นหน้าที่หมายความเราทําหน้าที่ของเราอย่างน้อยที่สุดเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะเรื่องสีทธิจริงคือสิทธิหน้าที่แล้วเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเรียบร้อยกล่าวถึงสิทธิของประชาชนคนละเมืองเ ร, เราไม่เปิดดูเถอะมันอยู่ในกรอบสี่ห้าทั้งนั้นแหละแต่เราก็ไปมองละเลย แล้วก็ตามปกติแล้วเนี่ยมักจะใช้สิทธิแต่ก็ไม่ยอมทำหน้าที่ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือคนไม่ยอมพูดอามายังชอบใจคุณมีชัยริจุพันนี่แกพูดเมื่อตอนสามห้านะที่พวกอเมริกามาจะขอใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยพูดสวยมากพวกนี้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพราะไม่ได้เสียภาษีให้แกรัฐอันนี้คือถูกต้องที่สุดเสียภาษีแกรัฐคือหน้าที่ สิทธิการเลือกตั้งนั่นคือสิทธิเธอต้องทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนเธอจึงได้สิทธิตรงนี้และที่จริงเด็กที่ยังไม่ได้ทำงานเนี่ยนะฮะเด็กที่อายุสิบปดปีที่จริงไม่ได้ทำหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แต่เธอจะใช้สิทธิละเพราะอะไรเพราะถูกกระแสะทางการเมืองแล้วก็ละเลยประจาพื้นฐานของประชาธิปไตยคือเป็นเรื่องของสิทธิหน้าที่เราเปิดโอกาสได้คนซึ่งไม่ทำหน้าที่แล้วไปใช้สิทธิ ซึ่งต่อไปจ ะ, จะมีปัญหามากจริงๆเพราะฉะนั้นต ร, ต, รตรงนี้จึงเป็นแบบนะเป็นวิถีชีวิตที่น่าศึกษาสำหรับท่านสุมรรณราชกุบาลซึ่งต่อมาก็คือปราณนนเทระนั่นเองวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เวลาถึงตรง น, นี้ที่สุดนีขอความเจริญงอกงามไปพูดในธรรมจมีแต่ท่านสาชดนหลายตัวตัวกันทุกท่านถอ